จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1วาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนด้วยการมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างความสุขและสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจของเราเป็นหลักความเจริญไม่ได้อยู่ที่ความเจริญของวัตถุเข้าของต่างๆวัตถุเข้าของต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเราเจริญตามไปด้วยจิตใจของเราจะเจริญจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีงามอยู่ภายในจิตใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นบำเพ็ญหมั่นสร้างหมัม่นสะสมให้เกิดขึ้นมาให้งอกเงยขึ้นมาในจิตใจก็มีอยู่ด้วยกันสี่ประการคือ 1. ความเมตตา 2. ความการุณา 3. ความมุนิตาและสความอุบเบกขา ที่เป็นคุณธรรมที่จะพัฒนาส่งเสริมให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่สูงขึ้นดีขึ้นผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณธรรมทั้งสีประการนี้คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ภายในจิตในใจแล้วจะเป็นคนที่ น่าเคารพเลื่อมใสศรทัทธาน่าคบค้าสมาคมเพราะเป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับใครทั้งนั้นมีแต่จะสร้างคุณสร้างประโยชน์โดยถ่ายเดียวผู้ใดผู้ที่มีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ยังเป็นที่รับนับถือหน้าคบคาสมาคมมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วเริ่มต้นด้วยพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์แรกและพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายเป็นองค์ต่อมาท่านหล่านี้ล้วนมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ในใจตลอดเวลามีความเมตตาคือ มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมองผู้อื่นเป็นเหมือนกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นคู่แข่งขันกันทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นคู่แข่งขันกันทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ร่วมเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งนั้นยึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเกลียดชังกัน ที่จะต้องไปอาฆาตพยาบาทกันที่จะต้องไปจองเวรจองกรรมกันเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมและผู้ที่ถูกจองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราจเจริญเมตตา สัพเพสัตตาคำว่าสัพเพไม่ปลายถึงว่าทุกๆคนทุกๆทุกๆสัตว์ทุกๆบุคคลไม่ได้เฉพาะแต่คนที่เราชอบคนที่เรารักเท่านั้นแต่เราต้องแผ่เมตตาให้ได้ให้กับทุกๆคนให้ได้คนที่เราชอบก็แผ่คนที่เราไม่ชอบก็แผ่คนที่เราเกลียดเราก็แผ่ เพราะถ้าเราแผ่ได้แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขถ้าเราแผ่ไม่ได้เวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบใจของเราจะร้อนขึ้นมาใจของเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราแผ่ให้เขาแผ่ความปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ถ้าเราทำได้ใจของเราจะมีความสุขและเราจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะคนที่เขาทำให้เราเสียหายเขาจะมีความสำนึกขึ้นมาในภายหลังว่าเขาว่าเรานี่เป็นคนดีทั้งนั้ที่ถูกเขาทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆแต่กับไม่ตอบโต้กับไม่จองเวรจองกรรม นี่แหละคือสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของผู้ที่มีความเมตตาและจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นเห็นคุณค่าอันประเสฐนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแผ่เมตตาอยู่เสมอไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเท่านั้น แให้แผ่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเจอใครก็ตามขอให้เราระลึกถึงความรู้สึกที่ดีความรความปรารถนาดีต่อเขาอย่าเอาความรู้สึกที่ไม่ดีที่อาจจะมีอยู่ภายในใจของเราเนื่องจากเราอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนในอดีต แต่ขอให้เราล้างความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นออกไปจากจิตจากใจด้วยการให้อภัยก็ได้หรือด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันเหมือนเป็นความฝันแล้วเราไม่ควรที่จะย้อนมันเอากลับย้อนเอามันกลับมาสร้างความขมขื่นใจอีก มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยปัจจุบันเราจะสร้างแต่ความสุขความปรารถนาดีให้กับใจของเราด้วยการแผ่เมตตาด้วยการแผ่ความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนที่เราสัมผัสที่เราพบเห็นการแผ่เมตตานี้ไม่ได้หมายถึงให้แผ่แต่ในขณะที่เราสวด เวลาไหว้พระสวดมนต์จะมีบทแผ่เมตตาที่เราสวดว่าสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาโหนตุจงจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิดนี่เป็นเพียงการซักซ้อมใจของเราเป็นการเตือนสติสอนใจเราให้เรามีความเมตตาให้อภัยไม่จองเวรจองกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำแต่เฉพาะในขณะที่เราอยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดอยู่ต่อหน้าพระประธานแล้วก็สวดแผ่เมตตาแต่ความหมายที่แท้จริงนั้นท่านให้เอานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับใครก็ตามขอให้เรามีความเมตตา อยู่ข้างหน้าอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรกันมีการผิดพลาดบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็อย่าไปโกรธเคืองกันให้ยิ้มเข้าหากันอยู่เสมอแต่มีอะไรผิดพลาดก็บอกกันได้เช่นทำอะไรผิดก็บอกกันได้แต่บอกด้วยความเมตตาอย่าไปบอกด้วยความโกรธ ถ้าเราบอกด้วยความโกรธแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะคนที่เขาฟังเขาก็จะรู้ว่าเราพูดออกมาด้วยความโกรธแต่ถ้าเราพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถ้าเรายังเห็นว่าไม่สมควรแก่เวลาที่จะพูดในตอนนั้นเราก็อย่าพึ่งไปพูดรอให้เวลาที่เหมาะเวลาที่เขาก็สบายใจ เราก็สบายใจแล้วเราค่อยพูดในตอนนั้นก็ไดค้คำว่ามีความเมตตานี้ไม่ได้หมายความว่าให้หุบ ป, ปากเฉยๆใครทำอะไรผิดก็ไม่พูดไม่ไม่ตอบโต้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่ขอให้เราพูดด้วยเหตุด้วยผลอย่าพูดด้วยอารมณ์ถ้าเขาทำอะไรให้เราเดือดร้อนเราก็พูดดีๆกับเขาได้ขอร้องเขาได้ ส่วนเขาจะทำตามที่เราพูดหรือตามที่เราขอร้องหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราพูดแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วถ้าเขาไม่ทำตามก็ทำใจเอาไว้ท่านก็สอนให้เราเจริญอุบเบกขาคือทำใจให้เป็นกลางอย่าไปเสียใจอย่าไปเดือดร้อนกับการกระทําของผู้อื่น อุเบกขานี่ก็คือปล่อยวางเมื่อเราทำหน้าที่ของเราแล้วแผ่เมตตาให้เขาแล้วพูดขอร้องแล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะทำอะไรให้เราเสียหายอีกเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วก็พยายามถอยออกมาอย่าไปอยู่ใกล้คนอย่างนั้น ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไปกันคนละทิศคนละทางก็แล้วกันถือว่าชาตินี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันถ้าจำเป็นจะต้องทำก็ทำด้วยความอดทนอดกลั้นอย่าไปอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่าไปตอบโต้อะไรทั้งสิน้นเพราะมันจะไม่ได้ทำให้เหตุการณ์ดีขึ้น ถ้าเราไปตอบโต้ยิ่งจะทําให้เขาตอบโต้กลับมาอีกแรงขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกันถ้าเราเฉยๆปล่อยเขาทําไปตามใจชอบของเขาเดี๋ยวเขาก็เบื่อเองเขาก็หยุดเองเหมือนคนที่มีความไม่พอใจกับเสาต้นเสาแล้วก็ไปด่าต้นเสาเอามือไปทุบไปตีต้นเสาต้นเสามันก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไร เดี๋ยวคนที่ไปว่าไปทุบไปตีต้นเสาก็เหนื่อยเองก็จะหยุดไปเองถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็จะเป็นเหมือนต้นเสาอยู่เฉยๆไม่ต้องไปตอบโต้ อ, อะไรแล้วเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้เราจะไม่ไปทำในสิ่งที่เราจะต้องมาเสียใจภายหลังเพราะถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้น ไม่มีอุเบกขาแล้วเวลาใครเขาพูดหรือทำอะไรที่เราไม่พอใจเดี๋ยวเราก็จะต้องตอบโต้กลับไปเมื่อเราตอบโต้กลับไปเขาก็จะตอบโต้กลับมาโต้กันไปโต้กันมาเดี๋ยวก็ต้องลงไม้ลงมือกันทาร้ายกันแล้วก็ต้องมาเสียใจในภายหลังเพราะถ้าเราไปทำร้ายถึงแก่ชีวิต ของเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช้โทษในคุกในตารางหรือถ้าเขาทำร้ายเราถึงแก่ชีวิตเราก็จะ ส, สูญเสียโอกาสอันดีงามของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นภพชาติที่ดีที่สุดที่จะมีโอกาสพัฒนาส่งเสริมชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นไป เรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดได้เช่นที่เช่นพระพุทธเจ้าและพระอระหันตาสาวกทั้งหลายได้ใช้ชีวิตนี้บำเพ็ญเพื่อพัฒนาจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นมรรคผลนิพพานได้ mm. เมื่อได้ถึงขั้นนั้นแล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความดีงามทั้งหลาย เต็มไปด้วยความสุขเต็นไปด้วยความเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่ว่าใครจะพูดใครจะทําอะไรก็เห็นเป็นเรื่องดีไปหมดใครจะร้ายก็เถอว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราคนอื่นเขาร้ายเราอย่าไปร้ายตามเขา คนอื่นเขาเลวอย่าไปเราอย่าไปเลวตามเขาอย่าไปเอาแบบฉบับของคนไม่ดีมาเป็นเป็นครูเป็นแบบฉบับเพราะจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนเลวตามไปด้วยขอให้เราเอาแบบฉบับของคนดีเช่นของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อรหันต์ทั้งหลายมาเป็นแบบเป็นฉบับ ท่านมีความเมตตาเราก็ต้องมีความเมตตาท่านให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยท่านไม่จองเวงเราก็ต้องไม่จองเวงท่านมีอุบเบกขาทำใจวางเฉยได้เราก็ต้องทำใจวางเฉยให้ได้วิธีที่จะทำใจให้วางเฉยได้ก็คือการทำสมาธินี้เองเราต้องฝึกทำจิตใจให้นิ่งให้ได้ ด้วยอุบายวิธีต่างๆเช่นการสวดมนต์ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราสงบนิ่งได้หรือเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ก็สำคัญขอให้เรามีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆ ถ้าสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องสวดมนต์อย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่สวดมนต์อย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่บริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่กําหนดดูลมหายใจเข้าออกขอให้มีแต่เรื่องที่เรากําหนดนั้นอย่างเดียวแล้วไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบตัวลง จนนิ่งสงบเป็นอุเบกขาไปได้เมื่อจิตของเราสงบนิ่งเป็นแล้วต่อไปเวลาที่เราจะให้จิตสงบนิ่งเราก็เพียงแต่บอกให้อยู่เฉยๆให้นิ่งมันก็จะนิ่งได้จะอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบนิ่งถึงแม้เวลาเราอยากจะนิ่งมันก็นิ่งไม่ไว้มันอดไม่ได้ พอมันเกิดความโกรธแล้วมันก็อดไม่ได้มันจะต้องระบายความโกรธออกมาเวลาเกิดความโลภ ก, ก็อดไม่ได้อยากจะได้อะไรก็ต้องหามาให้ได้นี่แหละปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่เราไม่รู้จักหยุดใจของเราไม่รู้จักทําใจของเราให้นิ่งให้เป็นอุบเบกขาเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรก รถที่ไม่มีเบรกนี้เป็นรถที่อันตรายมากถ้าขับรถไปบนทางถนนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นอย่างแน่นอนเพราะเวลาที่รถคันอื่นเขาจอดแต่เราไม่จอดเราวิ่งตามเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปชนท้ายเขาเพราะไม่มีเบรกนั่นเองชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ต้องมีเบรกเหมือนกันถ้าไม่มีเบรกแล้ว เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรยับยั้งใจให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายได้แต่ถ้ามีเบรกเราก็จะเบรกถ้ามีอุเบกขาเราก็จะเบรกได้ดังนั้นเราจึงควรฝึกทำสมาธิกันเป็นการกระทาที่ไม่ยากเลยนั่งอยู่เฉยๆมันจะยากอะไร เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเสียได้ซ้ำไปแต่กลับทำกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำกันท่านั้นเองและไม่รู้คุณค่าของการทำสมาธิว่ามีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งเพราะนอกจากหยุดใจของเราได้แล้วยังให้ความสุขกับใจด้วยขณะที่ใจหยุดคิดหยุดปรุงอยู่ในความสงบนี้จะมีความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใดที่จะมีความสุขเท่าหรือดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนัตติสันติปรังสุขขงังนี่แลเป็นของวิเศษ ที่มีอยู่ในตัวเราแท้ๆแต่เรากลับไม่หากันกลับไม่ทําให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราไปหาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่างๆสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจกันที่เราทุกข์กันก็เพราะเราไปหาสิ่งที่มัน ทำให้มันเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองคือหาข้าวของเงินทองต่างๆหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากคนนั้นจากคนนี้หาจากหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องไปทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมีความทุกข์ ทันั้ได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นได้สามีมาก็ต้องทุกขกับสามีได้ภรรยามาก็ต้องทุกกับภรรยาได้ลูกมาก็ต้องทุกกับลูกได้อะไรมาก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นๆเพราะสิ่งนั้นนั้นมันไม่อยู่เฉยเฉยนั่นเองมันไม่เป็นเหมือนเดิมมันดีสักวันสองวันแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแล้วซื้อของมาใหม่ๆมันก็ดี พอใช้ไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียหรือไม่เช่นนั้นมันก็หายไปนี่แหละมันเป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราลดให้เราละให้เราตัดสิ่งภายนอกออกไปถ้าไม่จำเป็นต่อการดารงชีพต่อการทำมาหากินแล้วอย่าไปเอามาอย่าไปอยากได้ให้อยากในสิ่งที่มันมีคุณค่าจริงๆ ก็คือความสงบในจิตใจของเราด้วยการทาสมาธิกันวันหนึ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งทาสมาธิกันไปทำสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งห้านาทีสิบนาทีนี้ยังไม่พอยังเป็นเหมือนนกกระจาะกินน้ําอยู่แต่ถ้ายังทำไม่ได้เลยห้านาทีสิบนาที ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยแต่ขอให้ทำไปแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาให้มีมากขึ้นไปถ้าเราทำถูกวิธีแล้วจิตจะจิตมีความสงบเราจะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เองที่เรานั่งไม่ได้นานเพราะจิตเรามันดิ้นมันต่อสู้มันมันไม่ชอบความสงบความโลภความโกรธความหลงนี่มันไม่ชอบความสงบเพราะเวลาจิตสงบแล้ว ความโลภความโกรธความหลงทำอะไรไม่ได้แต่ใจนี้แหละจะได้รับประโยชน์เวลาที่จิตสงบแล้วดังนั้นใจเราต้องฝืนต้องต่อสู้กับการดิ้นรนของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอย่าให้มันฉุดลากเราไปทำอะไรในขณะที่เรากำลังทำสมาธิอยู่ในขณะที่เรากำลังสวดมอนต์อยู่ พยายามทำไปด้วยสติควบคุมบังคับใจให้อยู่กับการสวดมนต์ไปใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายเองเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกยากลำบากเพราะไม่เคยชินแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความเคยชิน ต่อไปก็จะทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะดังนั้นขอให้เรามีความอดทนและขอให้เรามีความยินดีที่จะฝึกที่จะทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราคือการทำสมาธิเพื่อให้เกิดมีอุเบกขาขึ้นมาในจิตในใจเพื่อเราจะได้รักษาความเมตตาได้ถ้าเรามีไม่มีอุเบกขาแล้ว เดี๋ยวเวลาใครทำอะไรให้เราโกรธเราก็จะไม่สามารถรักษาความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้เพราะเราจะถูกความอาฆาตพยาบาทความเกลียดชังเข้ามาเบียดจะบังจะบังคับให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปทำในสิ่งที่เสียหายแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิจนจิตของเราเป็นโอเบขาได้แล้ว เราจะสามารถระ ง, งับยับยั้งความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทต่างๆได้แล้วเราจะรักษาความเมตตาความปรารถนาดีที่เรามีให้ต่อผู้อื่นได้จึงขอให้เราให้ความสนใจต่อการทําสมาธิสนใจต่อการแผ่เมตตาสนใจต่อการสร้างหรือบําเพ็ญ แผ่ความกรุณาความกรุณาก็คือความสงสารเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือแดบบร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือในสิ่งที่สมควรคือถ้าเขาขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่อย่างนี้ควรจะช่วยเหลือกันถ้าไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่ม ไม่มีที่อยู่อาศัยพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องอื่นนั้นไม่ต้องไปสนใจเช่นเขาไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วมาขอเงินไปเที่ยวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปช่วยเหลือกันถ้าอยากจะเที่ยวก็ต้องหาเงินเองแต่ถ้าไม่มีข้าวกินอย่างนี้พอมีเหตุปีผลที่จะต้องช่วยกัน เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาไม่มีหมออย่างนี้เราช่วยได้เราก็ควรช่วยเหลือกันไปแต่ในเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราเป็นคนใจไม้ไส้กรรมเวลาที่ทใครมาขอยืมเงินแล้วเราไม่ให้ยืมเงินเขาไปเพราะการยืมเงินนี้เป็นการกระทาที่ไม่ดีทั้งผู้ที่ยืม และผู้ที่ถูกยืมเพราะคนที่ยืมเงินนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รู้ไม่มีวี่ไนในการใช้เงินมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเก็บเอาไว้อยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปพอเกิดนเวลาขาดแคลนขึ้นมาก็ยังอยากจะใช้อีกก็ต้องไปยืมเงินของคนอื่นแล้วส่วนใหญ่ยืมแล้วมักจะใช้ยากจะใช้คืนยากหรือจะไม่ใช้เลย แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับคนที่ให้ยืมไปดังนั้นไม่ไม่จึง ไ, ไม่ควรที่จะไปยืมเงินผู้อื่นและไม่ควรที่จะให้ผู้อื่นยืมเงินนอกจากถ้าเราต้องการจะตอบแทนบุญคุณของเขาก็ขอให้คิดว่าไม่ใช่เป็นการให้ยืมคิดเสียว่าเป็นการให้เขาไปเลยเพื่อเราจะได้สบายใจเพราะเงินยืมส่วนใหญ่นี้จะเป็นเหมือนกับเงินที่ถูกขโมยไป มันจะไม่กลับมาถ้าเราคิดว่าเราให้เขายืมแล้วเขาเขาจะคืนเรานี้เราจะเสียใจภายหลังเราจะไม่สบายใจตลอดเวลาคอยห่วงคอยกังวลว่าเมื่อไรเขาจะมาเอาเงินมาคืนเราสักทีดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็อย่าไปให้ใครยืมเงินเก็บเอาไว้ถ้าจะให้เขาก็ถือว่าให้ไปเลยดีกว่า อาจจะให้เพราะเป็นการใช้หนี้เก่าทดแทนบุญคุณกันไปเขาเคยช่วยเหลือเราตอนนี้เขาเดือดร้อนเราก็ให้เขาไปแต่อย่าไปหวังว่าเขาจะคืนหรือไม่คืนเขาจะคืนก็ดีเขาไม่คืนก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ไม่กังวลเราจะได้ไม่รู้สึกไม่สบายใจเราจะมีความสุขเพราะเราได้ช่วยเหลือเขาเรามีความกรุณา นี่คือความการุณาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมร่วมโลกด้วยกันรวมไปถึงสัตว์เดรัะฉานเช่นสุนัขหรือแมวที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานเรามีอะไรพอที่จะเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเขาไปนอกจากนั้นก็ทรงสอนให้เรามีมุดิตาจิตคือให้เรามีความยินดี ในความสุขในความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีก็ขอให้เราแสดงความยินดีถ้าเราแสดงความยินดีด้วยวาจาไม่ได้ก็ขอให้เราแสดงความยินดีภายในใจอย่าไปอิจฉาหรือยายอย่าไปกีดขวางความเจริญความสุขของผู้อื่นเพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปคิดเสียว่าเขา ทำดีได้ดีก็แล้วกันผลที่เขาได้นี้เกิดจากการกระทําของเขาเมื่อเขาทําอะไรแล้วเขาได้รับผลนั้นเราก็อย่าไปอิจฉาหรือเสแต่ขอให้เรามีความสุขไปกับความดีความเจริญของเขาและเราจะมีความสุขเห็นใครได้ดีได้ดีเราจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเลือกเสีย อ, อกเสียใจเพราะ บางทีเราอยากจะได้ดีเหมือนเขาแต่เรายังไม่ได้ดีคนอื่นเขาได้ดีก่อนเราก็อาจจะทำให้เราเสียอกเสียใจได้แต่ถ้าเรามีมุติตาแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขไปกับเขาด้วยแล้วเราก็จะคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องได้ดีได้ดีเช่นเดียวกันทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเพราะเราเชื่อว่า ความดีการกระทำความดีนี้แหละจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้รับความสุขความเจริญได้ด็บได้ดีต่อไปในภายภาคหน้านี่คือคุณธรรมทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นเจริญกันอยู่เสมอโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าเราควรจะใช้คุณธรรมอันใด ถ้าถึงเวลาควรจะใช้เมตตาก็ต้องมีเมตตาถึงเวลาที่จะต้องมีกรุณาก็ต้องมีกรุณาถึงเวลาที่จะต้องใช้มุติตาก็ต้องใช้มุติตาถึงเวลาที่จะต้องใช้อุเบกขาก็ต้องใช้อุเบกขาไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไปพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ เหมือนกับรถยนต์ที่มีเกียร์อยู่หลายชนิดด้วยกันมีเกียร์เดินหน้า mm hmm. เกียร์ถอยหลังมีเกียร์ว่างเราก็ต้องใช้เกียร์เหล่านี้ให้ถูกกับกาลเทศะกับเหตุการณ์เวลาจะถอยหลังก็ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังถ้าไปเข้าเกียร์เดินหน้ารถมันก็ไม่ถอยหลังรถมันก็จะเดินหน้าฉันใดเวลาที่ต้องแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตาถึงเวลาที่จะต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาก็ต้องวางใจ ให้เป็นอุเบกขาต้องปล่อยวางต้องนิ่งเฉยถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขและเราจะเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือเป็นคนที่จเจริญอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องคุณธรรมทั้งสประการนี้ให้ท่านได้ไปบาเพ็ญปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพะโดยทั่วหน้ากันเทอ